พวกเราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติเรารู้หรือเปล่าว่าพุทธศาสนามีไว้ทำไหมเวลาเรามีสมบัติเราต้องรู้ว่าสมบัติต่างๆที่เรามีนั้นมีเอาไว้ทำอะไรมีเงินทองเพื่อเอาไปใช้ซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆ มีหมอบมีชามก็มีไว้สำหรับหุงข้าวทำกับข้าวเรามีพระพุทธศาสนาเรารู้ป่าวว่าพุทธศาสนามีไว้เพื่ออะไรพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับเครื่องดับเพลิงเครื่องดับเพลิงมีไว้ทำอะไรก็มีไว้ดับไฟ เวลาเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาถ้าเรามีเครื่องดับเพลิงเราก็สามารถใช้ดับไฟได้ทันท่วงทีพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องดับความทุกข์ภายในใจของพวกเรานี่เองไม่ใช่เป็นอะไรมากไปกว่านั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่จะสอนให้เรารู้จักวิธี ดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจของพวกเราเพราะความทุกข์นี้มันก็เหมือนไฟที่เราไม่ต้องการให้มันลุกขึ้นมาในบ้านของเราเพราะเวลาไฟลุกแล้วบ้านก็จะถูกไหม้ถูกเผาแล้วเราก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัยฉันใดใจของพวกเราก็ไม่ต้องการความทุกข์กัน วาเวลาเกิดความทุกข์แล้วมันทรมานมันร้อนบางทีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายคนที่ฆ่าตัวตายนั้นแสดงว่าไม่มีเครื่องดับความทุกข์ใจกันพอเกิดความทุกข์ใจก็ไม่รู้วิธีดับเพราะไม่มีาศาสนาพูทุทธหรือมีก็ไม่รู้จักช้วิธีใช้เครื่องดับ ความทุกข์เนี่ยบางคนมีเครื่องดับไฟเครื่องดับเพลิงอยู่ในบ้านแต่ไม่เคยหัดใช้มันพอเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาจะเอามาใช้ก็ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้มีเครื่องดับเพลิงเครื่องดับไฟแล้วก็ต้องรู้จักวิธีใช้มันถ้าใช้ไม่เป็นเวลาเกิดไฟลุก ไม่ขึ้นมาก็จะไม่สามารถใช้เครื่องดับไฟมาดับไฟได้ทันใดพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนเครื่องดับไฟเครื่องดับเพลิงมีไว้เพื่อดับความทุกข์ใจของพวกเราไม่ให้มันลุกลามใหญ่โตไม่ให้มันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บถ้าเราใช้ พระพุทธศาสนาเป็นเราก็สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ทันทีนี่แหละคือสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะรู้กันว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นอะไรมีไว้ทําไมเป็นเครื่องดับความทุกข์ใจมีไว้ดับความทุกข์ใจแต่จะดับความทุกข์ใจได้ก็ต้องรู้จักใช้ พระพุทธศาสนาถ้าใช้ไม่เป็นก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นมาได้ทุกวันนี้คนจะเข้าใจผิดกันคิดว่าพุทธศาสนามีไว้เพื่อให้เราร่ำรวยกันให้เราเป็นใหญ่เป็นโตกันให้เรามีความ เก่งกาจทำอะไรแล้วจะได้รางวัลต่างๆให้เรามีความสามารถในการหาความสุขต่างๆอันนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของพระพุทธศาสนาหน้าที่ของพระพุทธศาสนามีหน้าที่ดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราเท่านั้น เพราะว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการดับความทุกข์ต่อให้เรามีอะไรมากมายกายกองมีข้าวของเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านมีตำแหน่งเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีมีรางวัลต่างๆมีเหรียญทองต่างๆแต่ถ้ามีความทุกข์ใจแล้วมัน สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีความหมายเลยความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนี่หายไปหมดเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาฉะั้นการดับความทุกข์ใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้สำคัญยิ่งกว่าการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีเงินหมือนล้านแสนล้าน สำคัญกว่าการมีการเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีสำคัญกว่าการที่จะได้รับเหรียญทองต่างๆได้รับรางวัลต่างๆสำคัญกว่าการที่จะไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังอะไรต่างๆเพราะความสุขต่างๆที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันจะ ถูกความทุกข์ภายในใจนี้ไล่ให้หายออกไปจากใจพอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นนายกก็ไม่มีความสุขเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่มีความสุขเป็นผู้ชนะเหรียญทองต่างๆก็ไม่มีความสุขได้ไปเที่ยวได้ไปดูไปฟังไปกินไปเดื่มาลายต่างๆ ก็จะไม่มีความสุขเพราะเกิดความทุกข์ขึ้นมายกตัวอย่างกำลังจัดงานฉลองวันเกิดแล้วมีข่าวไม่ดีเข้ามามีขโมยขึ้นบ้านไฟไหม้บ้านเวลาจัดฉลองงานความสุขที่ได้ระหว่างการฉลองหายไปหมดเลยความทุกข์เกี่ยวกับบ้าน เข้ามาทันทีบ้านไฟไหม้บ้านน้ำท่วมยังจะมัวจะเลี้ยงฉลองวันเกิดกันอยู่หรือเปล่ารีบกลับบ้านกันนะรีบไปหาวิธีดับไฟหาวิธีขนย้ายข้าวของที่น้ำจะท่วมนี่คือสิ่งต่างๆที่พวกเราอาจจะไม่เข้าใจกัน บางคนคิดว่าไม่รวยก็ต้องเข้าหาศาสนาไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตก็ต้องเข้าหาศาสนาไม่ได้รางวัลเหรียญทองก็ต้องเข้าหาศาสนาไม่ใช่ศาสนาไม่สามารถให้สิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้เรารวยไม่ได้ทำให้เรารวยไม่ได้ทำให้เรายิ่งใหญ่ ไม่ได้ทำให้เราเก่งกาจไม่ได้ทำให้เร า, เามีความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนีอ้อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระพุทธศาสนาหน้าที่ของพุทธศาสนาคือมีหน้าที่ดับความทุกข์ใจเหมือนหน้าที่ของรถ ด, ดับเพลิงหรือเครื่องดับเพลิงเขามีหน้าที่เพียงดับไฟเท่านั้นเอง เวลาที่ไม่มีไฟไม่รถ ด, ดับเพลิงก็จอดอยู่เฉยๆไม่ได้เอาไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้เอาไปบรรทุกข้าวบรรทุกของไม่ได้เอาไปพาคนไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่อันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของรถ ด, ดับเพลิงหน้าที่ของรถ ด, ดับเพลิงมีไว้จอดรอเวลามีไฟไหม้เท่านั้น พอมีไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยรถดับเพลิงนี่เริ่มทํางานทันทีขอใครโทรไปบอกที่สถานีดับเพลิงว่าตอนนี้มีไฟไหม้ที่นั่นที่นี่เรถดับเพลิงนี่รีบวิ่งออกมาทันทีเพื่อไปดับไฟที่กําลังลุกไหม้ให้มันดับไม่ให้มันระบาดไม่ให้มันกระจายอออกไปเป็นไฟใหญ่โตขึ้นมา ฉันใดพระพุทธศาสนาก็มีหน้าที่นี้มีหน้าที่ดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราแต่การที่เราจะใช้ศาสนามาดับความทุกข์ภายในใจของพวกเราได้เราต้องเรียนวิธีดับไฟก่อนเรียนวิธีใช้พระพุทธศาสนาใช้พระพุทธศาสนานี้มาดับไฟได้อย่างไร เหมือนกับไปหัดใช้เครื่องดับไฟเครื่องดับเพลิงถ้าไม่ไม่เรียนรู้วิธีใช้เครื่องดับเพลิงเวลาต้องการใช้มันจะใช้ไม่ได้ใช้ไม่เป็น <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราชาวพุทธควรจะรู้กันรู้ว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นเครื่องดับความทุกข์ใจ แล้วเราพอเรารู้แล้วว่าเป็นเครื่องดับความทุกข์ใจสิ่งที่เราควรจะรู้ต่อไปก็คือรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระพุทธเจ้าท่านรู้อะไรท่านตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างไรทําไมเราถึงเรียกท่านว่าเป็นพระพุทธเจ้า ทำไมไม่เรียกว่าท่านเป็นอย่างอื่น <Yeah. S 1> การที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็แปลว่าท่านเป็นผู้รู้วิธีดับความทุกข์ใจนี้เอง <Yeah. S 1> พุทธะแปลว่าผู้รู้เจ้าก็เป็นผู้เจ้าก็คือผู้ยิ่งใหญ่ผู้เก่งกาจผู้รู้ที่เก่งกาจคือพุทธเจ้ารู้อะไรตัดสรู้อะไร <Yeah. S 1> ก็รู้วิธีดับความทุกข์ใจนี้เอง ศาสนาพุทธมีอยู่แค่นี้เองมีพระพุทธเจ้าผู้ผไปค้นพบวิธีดับความทุกข์ใจที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้มาก่อนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะได้ส่งค้นพบวิธีดับความทุกข์ใจไม่มีใครในโลกนี้รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจ ดับได้แต่ก็ดับแบบชั่วครั้งชั่วคราวแต่จะดับแบบถาวรดับแบบลาบคาบนี้ไม่มีใครทําได้มีมีวิธีดับความทุกข์ใจอยู่สองสองแย่สองแบบด้วยกันคะแบบหนึ่งก็คือเวลาเกิดความทุกข์ใจก็ไปหาความสุขมากบมัน เช่นเวลาเหงาเวลาอยู่บ้าน ว, าว้าเหวก็ออกไปเที่ยวกันออกไปเที่ยวความเหงาความว้าเหว่ก็หายไปชั่วข่าวแต่พอกลับมาความเหงาความว้าเหวก็เกิดขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งก็วิธีของพวกฤอษีชีไยที่ดับความทุกข์ ด้วยการทรมานตนเองด้วยวิธีต่างๆเวลาทรมานมันก็ไปเจอความทุกข์ที่มันหนักกว่าความทุกข์ที่มีอยู่มันก็เลยทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่นั้นรู้สึกเบาบางลงไปเวลาแม่คุไม่สบายใจก็ไปหาของแหลมมาทิ่มที่พุงแก้มมาหาเข็มมาปักมาทิ่มมาแทงให้มันเจ็บขึ้นมาให้มันทรมานร่างกาย แล้วความทุกข์ใจความไม่สบายใจก็จะรู้สึกมันเป็นเรื่องจิบจอยไปกลายเป็นเรื่องเล็กไปแต่พอหยุดทรมาน์ร่างกายเดี๋ยวความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็กลับมาใหม่ดังั้นวิธีทั้งสองวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ใจได้อย่างแท้จริงเพระพุทธเจ้าก็เคยทดลองสองวิธีนี้มาก่อน ตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เวลาไม่สบายใจก็จัดงานเลี้ยงจัดงานเลี้ยงก็กินเดิมฉลองเฮฮาปาร์ตี้กันดูละครดูลำดูอะไรกันพอเวลาได้ทํามันก็รู้สึกเพลิดเพลินความไม่สบายใจมันก็หายไปชั่วคราวแต่พองานจบลงงานเลี้ยงจบลงะ ความไม่สบายใจมันก็กลับมาใหม่ความทุกข์ใจมันก็กลับมาใหม่เพรงก็เลยต้องไปออกบวชเพราะเชื่อว่าพวกนักบวชนี่เขารู้จักวิธีดับความทุกข์ใจเขาก็รู้จักวิธีดับชั่วขราวดับด้วยการเข้าไปในสมาธิ เวลานั่งสมาธิทําใจให้สงบความทุกข์ใจต่างๆก็หายไปเพราะตอนนั้นใจไม่หยุดคิดหยุดหยุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองพอคิดถึงเรื่องราวต่างๆมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาเราหนักอกหนักใจนี้หนักเพราะอะไรหนักเพราะเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนีนน้สิ่งนั้นสิ่งนี้ พอคิดแล้วก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาคิดถึงเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็หนักอกหนักใจขึ้นมาคิดถึงคนที่เรารัิกเป็นอะไรไปก็หนักอกหนักใจขึ้นมาแต่พอเราหยุดคิดได้ไม่ไปคิดถึงเขาได้ความรู้สึกหนักอกหนักใจความไม่สบายใจมันก็หายไปชั่วคราว เวลาเราฝึกสมาเวลาเรานั่งสมาธิเราต้องการจะหยุดความคิดกันด้วยการใช้สติคือการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปด้ยการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไปถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับพุโทโธจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกเราก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ พอเราไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความหนักอกหนักใจความไม่สบายใจมันก็จะหายไปแต่มันจะหายเพื่อชั่วคราวพอเราหยุดพุทโธหยุดดูลมหายใจพอปล่อยให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาความทุกข์ใจก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ก็ยังไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทำยังไงให้ใจไม่ทุกข์ตลอดเวลา ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นทำยังไงให้มันไม่ทุกตลอดเวลาทั้งในขณะที่อยู่ในสมาธิและเวลาออกจากสมาธิขึ้นมาก็ไม่มีใครรู้วิธีว่าจะทำให้เวลาไม่อยู่ในสมาธิแล้วจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าก็ลองทดลองผิดลองถูกก็ลองอดข้าวดู คิดว่าถ้าอดข้าวแล้วความไม่สบายใจจะหายไปมันก็ไม่หายอดไปถึงสี่สิบเก้าวันความไม่สบายใจก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ก็ เ, เลยทรงรู้ว่าความไม่สบายใจนี้มันต้องหยุดความอยากเพราะว่าเวลาคิดแล้วมันจะมีความอยากตามมา พอเกิดความอยากขึ้นมาพอไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ทาให้ไม่สบายใจพออยากให้เป็นนั่นเป็นนี่พอไม่ได้เป็นก็ไม่สบายใจไปถามพวกที่เขาผิดหวังดูพวกที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพวกที่ไม่ได้เป็นนายกถามเขาว่าเขาสบายใจสุขใจหรือทุกข์ใจ น, นี่ก็เพราะความอยาก พออยากแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็เลยต้องหาวิธีหยุดความอยากถ้าหยุดความอยากได้แล้วถึงแม้จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดได้แต่อย่าคิดแล้วอยากให้เกิดความอยากขึ้นมาคือคิดแล้วอย่าไปอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมา อย่าไปอยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเพราะเวลาอยากแล้วเขาไม่เป็นมันจะทําให้เราทุกข์เช่นอยากไม่ให้แฟนไม่กินเหล้ายแต่แชฉแฟนเขาชอบกินเหล้าเวลาเห็นเขากินเหล้าทีไรก็ไม่สบายใจทุกทีเี่ยแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงบอกเขาแล้วขอร้องเขาแล้วเขาบางทีเขาก็รับปากะ แล้วเขาก็ไม่กินไปได้สักวันสองวันแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมากินใหม่เพราะตัวเขาเองก็ห้ามตัวเขาเองไม่ได้ตัวเขาเองก็มีความอยากกินพอถึงเวลาอยากมากๆถ้าไม่กินแล้วมันทุกข์ทรมานใจ<ๆ>ก็เลยต้องกินทั้งๆที่ได้รับปากกับแฟนว่าจะไม่กินแล้าก็ตามแต่ก็ไม่สามารถรักษาคำพูดได้ เพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันจะเกิดความทุกข์ใจมากนั่นเองจนไม่สามารถที่จะรักษ า, าคำพูดไว้ได้คนที่ไปขอให้เขาหยุดกินเหล้าก็จะทุกข์ใจเพราะอยากให้เขาหยุดกินเหล้าพอเขาไม่หยุดกินก็ทุกข์ใจขึ้นมานั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราไปอยาก ว่าเราไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราได้เพราะว่าเขาจะกินเราจะไปขอให้เขาไม่กินเขาก็จะกินอยู่ดีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจเราก็ต้องหยุดความอยากของเราเท่านั้นเองเวลาเราไม่อยากกับคนนั้นคนนี้คนอื่นทำไมเขากินเรลาเราทำไมไม่ทุกข์ใจไปกับเขา ก็เพราะว่าเราไม่ได้มีความอยากให้เขาไม่กินเหล้าคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนเราคนที่เราไม่รู้จักมีกินเหล้ากันเยอะแยะไปทําไมเราไม่ไปทุกข์กับเขาเวลาที่เราเห็นเขากินเหล้าก็เพราะว่าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่กินเหล้านั่นเองแต่พอเป็นแฟนของเราขึ้นมาเราไม่อยากให้เขากินเหล้าเราไม่อยากให้เขาเมา พอเวลาเขาเมาแล้วเขามักจะอาละวาดมาทำให้เราต้องเดือดร้อนเราก็เลยไม่อยากให้เขากินเหล้านี่คือความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเองนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าความอยากความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจนี้เกิดจากความอยากของใจนี้เอง ความอยากของใจก็มีอยู่เพียงสามข้อท่านเองืัวหนึ่งความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพมาสัมผัสเช่นอยากไปเที่ยวอยากดูหนังอยากดูละครอันนี้พอไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปดูหนังดูละครก็ไม่สบายใจขึ้นมาเหงาขึ้นมาว้าเหวขึ้นม า, า, นมางหงรเงลดนำคาญใจขึ้นมา แต่พอได้ไปเที่ยวความทุกข์ต่างๆก็หายไปชั่วคราวแต่พอกลับมาจากการไปเที่ยวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวมันก็หายไปหมดนแล้วความเหงาความว้าเหวิก็ปรากฏขึ้นมาใหม่ น, นี่คือตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์กัน คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเรียกว่าภาวะตันหาเรียกว่ากามะตันหาความอยากชนิดที่สองเรียกว่าภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นนายกอยากเป็นนัดทมตรีอยากเป็นมหาเศรษฐีอยากจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยากจะมีคอนโดอยากจะมีรถยนต์อยากจะมีอะไรต่างๆ เหานี้เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาเวลาเห็นคนอื่นเขามีนั่นมีนี่ก็อยากจะมีเหมือนเขาพอไม่มีก็รู้สึกน้อยใจเสียใจความน้อยใจความเสียใจก็เป็นความทุกข์ใจอีกแบบแต่ถ้าไม่มีความอยากมีอยากเป็นใครจะมีอะไรก็ปล่อยเขามีไปใครจะเป็นอะไรก็ปล่อยเขาเป็นไป เราก็เป็นของเราอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วเราก็เป็นคนธรรมดาสามัญ น, นี่ก็ก็อยู่ได้มีความสุขได้ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าไม่มีความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็จะไม่มีความทุกข์นี่แหละอันนี้คือความอยากชนิดที่สองความอยากมีอยากเป็น หรืออยากให้คนอื่นเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นความอยากมีอยากเป็นเหมือนกันอยากให้แฟนร่ำรวยแต่แฟนไม่ไม่รวยแฟนยากจนอย่างนี้ก็ไม่มีความสุขใจอยากให้แฟนเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นผู้กํากับเป็นสาลวัตรแต่แฟนก็ยังเป็นนายสิบอยู่ เห็นถึงเห็นแฟนทีไรก็ไม่มีความสุขใจเพราะแฟนไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากให้เขาเป็นอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตันหาส่วนวิภาวะตันหาก็คือความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากไม่มีของที่เราไม่ชอบนั่นเองอยากไม่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่ยากจน อยากไม่ทุกข์ยากลำบาก อ, อยากในสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบ อ, อยากไม่ให้คนอื่นเขาดูถูกดูแคลนอยากไม่ให้คนอื่นเขาดูด่าว่ากล่าวตำหนิติเตียนข้าละหานินทานี่คือความอยาก ท, ที่เรียกว่าวิภวตัหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น พอมีความอยากเหล่านี้แล้วใจเราก็จะไม่สบายจะทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วเราทำไมอยู่เฉยๆเรวไปอยากมันทำไมตอนนี้เรานั่งอยู่ตอนนี้เราไม่มีความอยากสบายดีมไหมตอนนี้ไม่มีความอยากหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพไม่ได้อยากดูอยากฟังอะไรไม่ได้อยากเป็นอะไร ไม่ได้อยากไม่เป็นไ ม, ไม่ไม่มีอะไรพอช่วงไหนที่ไม่มีความอยากช่วงนั้นใจเราก็สบายเพียงแต่ว่ามันเป็นมันเป็นช่วงเดียวเดียวท่านเองเดี๋ยวพอออกจากที่นี่ไปเดี๋ยวก็เกิดความอยากนะพาะคนถือศีลนี่เดี๋ยวอยากจะกินข้าวกันนะเดี๋ยวพอคิดถึงข้าวเย็ยนนี่ก็อยากจะกินขึ้นมา พอเกิดความอยากกินข้าวเย็นทีนี้จะทุกข์แล้วสิเพราะจะไม่ได้กินเอองั้นอย่าไปคิดถึงข้าวเย็นเป็นอันขาดพวกที่ถือศีลแปดนะถ้าไปคิดถึงข้าวเย็นแล้วเดี๋ยวน้ําลายไหลเดี๋ยวใจจะทรมานขึ้นมาแต่พวกที่ถือศีลห้านี่คิดได้กินแล้วเดี๋ยวก็ได้กินเออเดี๋ยวถึงเวลาเย็นก็ไปหาข้าวกินได้เอก็จะไม่ทุกข์จากความหิวข้าวเออ แต่ถ้าเกิดไม่มีข้าวกินถึงแม้ว่าจะกินได้แต่ไม่มีเงินซื้อข้าวกินก็เกิดความทุกข์ได้เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้กินมันก็ทุกข์ไม่ได้ทำตามความอยากก็ทุกข์เนี่ยนี่แหละคือความอยากสามชนิดด้วยกันที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าเป็นต้นเหตุของการทำให้ใจของเรานี้ทุกข์กันแะการที่จะทาให้ใจของเราไม่ทุกข์ก็ต้อง หยุดความอยากทั้งสามนี้ให้ได้อย่าปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมาก็ต้องหยุดมันต้องทำลายมันแล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบว่าวิธีที่จะหยุดความอยากนี้ทำอย่างไรอันนี้วิธีดับความทุกข์ใจทำอย่างไรก็หยุดความอยากทั้งสามนี้เองถ้าไม่มีความอยากความทุกข์ใจเขาไม่ปรากฏขึ้นมา และวิธีที่จะดับความอยากทั้งสามนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งคนพบว่าต้องใช้วิธีการทำทานวิธีรักษาศีลวิธีภาวนาอันนี้แหละจะเป็นวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆให้หมดไปได้ถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ต่างๆ เราก็ต้องมาหัดทำทานมาหัดรักษาศีลมาหัดภาวนากันเพราะว่าเป็นเหมือนเครื่องดับเพลิงนี่ถ้าเราไม่รู้จักใช้เครื่องดับเพลิงเวลาเกิดไฟไหม้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้น้ำที่อยู่ในขวดในขวดดับเพลิงนี้มันพุ่งออกมาเพื่อที่จะได้หยุดไฟได้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไว้ก่อน เราจะไม่รู้จักวิธีใช้มันฉันใดถ้าเราไม่มาเรียนรู้วิธีทรทานรู้วิธีรักษาศีลรู้วิธีภาวนาว่าทําอย่างไรพอเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ถึงแม้ว่าเราจะมีพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องดับความทุกข์ใจ แต่ถ้าเราไม่รู้จักวิธีใช้พระพุทธศาสนามาดับความทุกข์ใจให้กับพวกเราเราก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ <c oughs> การที่เราถือว่าเราเป็นชาวพุทธนี้ยังไม่เพียงพอ <c oughs> การถือเฉยๆนี้ยังไม่มีประโยชน์เหมือนกับการมีเครื่องดับเพลิงไว้ในบ้านแต่ยังไม่รู้จักใช้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร พอถึงเวลาจะใช้ก็ใช้ไม่ได้การที่เรานับถือพระพุทธศาสนาแต่เราไม่รู้จักวิธีทําทานไม่รู้จักวิธีรักษาศีลไม่รู้จักวิธีภาวนาให้ถูกต้องเราก็จะไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจของเราได้ดังนั้นถ้าเราอยากต้องการจะดับความทุกข์ใจให้มันหายไปให้มันหมดไป ไม่ให้มันมีหลงเหลืออยู่ในใจเราเราก็ต้องมาหัดทำทานกันหัดรักษาศีลกันหัดภาวนากันฟังแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าทำไมต้องมาหัดทำทานมันง่ายจะตายไปเอาเงินใส่บาตรมันก็ได้ทำทานนะเอาเงินให้ขอทานก็ได้ทำทานแนละ้วใช่มันเป็นการทำทาน แต่มันไม่อาจจะไม่ได้เป็นการทําทานเพื่อดับความทุกข์ใจการทําทานนี้ทําเพื่อให้เกิดความทุกข์ใจก็ได้ทําทานเพื่อให้เกิดความสุขใจก็ได้ดับความทุกข์ใจก็ได้ทางศาสนานี้เราต้องการให้ทําทานเพื่อดับความทุกข์ใจทําทานเพื่อให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ได้ เช่นให้เงินใครก็แล้วหวังให้เขาทํานู่นทํานี่ให้เราแล้วเขาไม่ทําให้เราเราก็ทุกข์ใจได้เออันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการ ท, ทาําท า, ท, ทานเพื่อดับความทุกข์ใจการทําทานเพื่อดับความทุกข์ใจนี้ท่านให้ทําทานตอนตอนที่เราจะเอาเงินทองไปใช้กับความอยากต่างๆเอ เพราะความอยากนี่แหละที่เป็นตัวที่จะทำให้เราทุกข์ใจต่อไปเช่นถ้าเราใช้เงินทองตามความอยากอยากเที่ยวเราก็มีเงินเที่ยวเราก็เที่ยวแต่ต่อไปเกิดเวลาไม่มีเงินเที่ยวขึ้นมาเราอยากเที่ยวเราจะเที่ยวไม่ได้พอเราไม่ได้เที่ยวตอนนั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้ไปทาบุญทุกครั้ง ต่อไปความอยากเที่ยวมันจะหายไปเพราะว่ามันไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการของความอยากนั่นเองพออยากเที่ยวก็เอาเงินที่จะไปเที่ยวไปทําฐานแทนถ้าทําอย่างนี้ต่อไปความอยากเที่ยวจะหายไปแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับการอยากไปเที่ยวอีกต่อไปอยู่บ้านก็อยู่ได้ไม่ต้องไปเที่ยวแต่ถ้าเคยออกไปเที่ยวอยู่เรื่อย อยู่บ้านไม่ได้อยู่บ้านแล้วจะรู้สึกทุกข์ใจนี่คือวิธีทำทานเพื่อดับความทุกข์ใจให้เอาไปทำตอนที่เราจะเอาเงินไปใช้กับความอยากต่างๆเอาไปใช้กับกามาตันหาเช่นไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไปดูหนังฟังเพลงไปดูละครไปฟังคอนเสิร์ตนี่เรียกว่ากามตัณหาอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องใช้เงินถ้าเราเอาเงินที่จะไปใช้กับกามะตัณหาใบนี้ไป <c oughs> ทำบุญทำทานเราก็จะไปเที่ยวไม่ได้ แต่เราจะไม่ทุกข์ใจเพราะว่าเวลาเราเอาเงินที่ไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทําทานเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมามาทดแทนความสุขที่จะได้จากการไปเที่ยวได้ก็จะทำให้เราไม่รู้สึกทุกข์ใจเวลาที่เราเอาเงินที่เราจะไปเที่ยวนี้เอาไปทำบุญทําทานเพราะการทำบุญทําทานก็มีความสุขเหมือนกัน ได้ความสุขเหมือนกันและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวเพราะมันจะไม่ทำให้เราติดเที่ยวมันจะทำให้ความอยากไปเที่ยวนี้มันน้อยลงไปและหมดไปได้ในที่สุดแล้วเวลาที่เราไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราเอาเงินไปเที่ยวความอยากเที่ยวนี้มันจะไม่หมดมันจะกลับมาเรื่อยๆ เที่ยวคราวนี้เสร็จพอกลับมาก็อยากจะไปเที่ยวอีกมันจะอยากไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาสูบบุหรี่พอสูบมวนนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะสูบอีกมวลหนึ่งวิธีที่จะไม่ทําให้ไม่อยากจะสูบบุหรี่ก็คือต้องเลิกสูบบุหรี่เวลาอยากสูบบุหรี่ก็ไม่สูบพอเราไม่สูบต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็จะหายไปหมดไป นี่คือการทำทานที่เป็นใช้ใช้เป็นเครื่องมือดับความทุกข์ใจ <c oughs> ต้องเอาเงินที่เราจะเอาไปใช้กับความอยากต่างๆเอาไปทําบุญทำทานเพราะว่าการใช้เงินตามความอยากนี้มันไม่จาเป็นไม่ใช้มันก็ไม่ตายไม่เหมือนกับการใช้เงินกับสิ่งที่จาเป็นเช่นใช้เงินกับ การซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรค<ม>อันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าถ้าร่างกายเราขาดปัดจจัยสี่ขาดอาหารขาดเสื้อผ้าขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรค<ม>ร่างกายของเราก็อาจจะเป็นอะไรไปก็ได้ เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะตายก็ได้ถ้าไม่มีที่ปลอดภัยอยู่นอนอยู่กลางแจ้งถู ก, ถกแดดถูกฝนเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยเ้วก็อาจจะตายได้ถ้าไม่มีเงินไปซื้อไม่มียามารักษาเังนั้นการใช้เงินเพื่อสิ่งที่จำเป็นนี้ใช้ได้ไม่เป็นโทษไม่เป็นภัยต่อจิตใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นเงินทองนี้มีไว้เพื่อใช้กับสิ่งที่จำเป็นไม่ควรเอาไปใช้กับความอยากต่างๆเพราะความอยากต่างๆนี้เป็นเหมือนยาพิษสำหรับจิตใจนั่นเองมันจะทำให้จิตใจเราทุกข์พอเราใช้เงินตามความอยากก็เท่ากับการกินยาพิษเข้าไปในใจพอกินเข้าไปในใจแล้วพอเวลา ไม่สามารถตอบสนองความอยากได้เวลาอยากเที่ยวแล้วมไม่มีเงินเที่ยวเวลานั้นก็จะรู้สึกหงุดหงิดเศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเวขึ้นมา <c oughs> แต่ถ้าเราเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้เอาไปทำบุญทำทานเราก็จะได้ความสุขความอิ่มใจขึ้นมาทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเที่ยวเพื่อหาความสุข หาความสุขจากการทำบุญทำทานนี้เป็นความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ปลอดภัยเพราะไม่มีพิษมีภัยต่อจิตใจเวลาไม่มีเงินทำบุญทำทานจะไม่รู้สึกหงุดหงิดนำคาญใจเหมือนกับเวลาไม่มีเงินซื้อบุหรี่สูบไม่มีเงินซื้อกาแฟดื่มไม่มีเงินไปเที่ยวความรู้สึกต่างกัน เงินที่เอาไปทาบุญนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยมีแต่คุณประโยชน์ทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขและเวลาไม่มีเงินทําบุญก็ไม่รู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกว้าเวเศร้าส้อยง่อยเงาแตนะ่ถ้าเอาเงินไปทาไปใช้กับความอยากพอเวลาไม่มีเงินใช้กับความอยากมันจะรู้สึกหงดหงิดความอยากมันจะทำให้ใจรู้สึกหิวโหวยขึ้นมา ไม่เหมือนกับการทำบุญทำทานจะทำให้ใจไม่หิวโหวยทำให้ใจอิ่มทำให้ใจสบายอยู่เฉยๆก็ไม่เดือดร้อนนี่คือวิธีที่จะเอาเอาเอาการทำทานมาดับเวลาที่เราใช้เงินกับความอยากต่างๆอย่าใช้เงินกับความอยากว่ามันเป็นพิษเป็นภัย เพราะนอกจากที่เราจะต้องคอยหามันอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาเราใช้เงินทองไปตามความอยากเดี๋ยวมันก็หมดไปเที่ยวทีนึงกลับมาก็หมดไปหลายตังค์พอเงินหมดก็ต้องไปทำงานกันทำงานเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงทองนี่ไม่กี่ทำไม่มากก็พอแต่ทำงานเพื่อเอามาซื้อของตามความอยากนี่มันใช่มาก มันก็จะทำให้เราต้องทุกกับการหาเงินหาทองอยู่เรื่อยๆต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ตามความอยากต่างๆถ้าเราหาเงินหาทองเพื่อใช้กับปัจจัยสีน่นี้เราไม่ต้องหามากเพราะว่าปัจจัยสีนี้มันไม่แพงมันไม่มากมันมีขอบมีเขตแต่ ถ้าใช้เงินตามความอยากนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เคยใช้ได้เคยใช้วันเคยใช้เดือนละหมื่นแต่พอมีเดือนละแสนเดือนละแสนก็ไม่พอใช้เชื่อไหมพอมีเดือนละล้านเงินเดือนละล้านก็ไม่พอใช้เพราะมันมีของที่จะให้เราใช้ของให้เราซื้อมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีเงินแสนก็ซื้อลดราคาระดับแสน แต่พอมีเงินล้านใช้ลดระดับแสนไม่ได้แล้วต้องใช้ลดระดับล้านขึ้นมาะดังนั้นต่อให้เรามีเงินมากเพียงไรเราก็จะไม่พอใช้อยู่เรื่อยๆมันก็จะต้องทําให้เราต้องไปดิ้นลนหาเงินหาทองแล้วการหาเงินหาทองมันสบายที่ไหนมันทุกข์มันอยู่เฉยๆสบายกว่าเยอะแยะถ้าเราไม่ใช้เงินตามความอยากได้ เราทำงานหาเงินมาจ่ายค่าปัจจัยสี่ได้เราก็อยู่เฉยๆได้แล้วแทนที่จะต้องทำงานทั้งเดือนอาจจะทำแค่สองสามวันก็พอแล้วมีเงินพอที่จะใช้กินได้ไปลตลอดทั้งเดือนนี่คือโทษของการใช้เงินตามความอยากพระพุทธเจ้าเลยต้องสอนให้เราเอาเงินที่เราจะไปใช้กับ ความอยากต่างๆนี้เอามาทำบุญทำทานให้หมดแล้วเราก็จะได้ไม่มีความอยากที่จะใช้เงินตามความอยากอีกนต่อไปเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาใช้ให้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องไปวุ่นวายแล้วก็จะไปทำให้เราไม่สามารถที่จะไป ทำงานข้อที่สองข้อที่สามต่อไปได้คือไปรักษาศีลไปภาวนาได้เพราะการที่เราจะรักษาศีลภาวนาเราก็ต้องมีเวลาว่างนั่นเองถ้าเราัวแต่เอาเวลาไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอามาใช้ตามความอยากต่างๆเราจะไม่มีวันเวลาที่จะไปรักษาศีลไปภาวนาได้ ไปถือศีลแปดอย่างญาติโยมที่มานุ่งขาวห่มขาวนี่ปีหนึ่งจะมาอยู่วัดได้สักกี่วันกัน เดี๋ยวก็ต้องกลับไปหาเงินหาทองเพื่อเอาไปซื้อของตามความอยากกันอีกแล้วก็ยังอยากได้นูน่นอยากได้นี่ยังอยากไปเที่ยวที่นูน่นยังอยากไปเที่ยวที่นี่อยู่แต่ถ้าเลิกเที่ยวได้มันก็ไม่ต้องหาเงินทองมากมหาพอมาเลี้ยงปากเลี้ยงทองอเดือนนึงทำงานแค่สิบวันก็พออีกยี่สิบวันก็มีเวลามาอยู่วัดมามารักษาศีลมาภาวนาได้มายุดความอยากที่เรายัง หยุดไม่ได้กันได้นะแต่ถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากใช้เงินตามความอยากได้เราจะไม่มีวันที่จะสามารถไปรักษาศีลไปภาวนาได้ถ้าไปได้ก็อย่างมากก็ปีละครั้งสองครั้งบางคนปีหนึ่งก็มาอยู่วัดสามวันห้าวันช่วงขอลาช่วงวันหยุดยาวแต่ทำได้เท่านี้เพราะเดี๋ยวต้องกลับไปทำงาน เดี๋ยวต้องไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอามาใช้กับความอยากต่างๆต่อไปอ น, นี่คือทําไมเราจึงต้องทําทานแล้วต้องทําไมต้องทําทานแบบนี้กันการทําทานตามหลักของพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ว่าให้เราล่ํารวยให้เราไปเป็นเทวดาหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงตามมา ผลพลอยได้ตามมาแต่มันไม่ได้เป็นผลของศาสนาพุทธเป้าหมายของศาสนาพุทธมีไว้เพื่อกำจัดความอยากต่างๆเพราะการไหวให้ความอยากมันจเจริญเติบโตด้วยการทำตามความอยากมันจะสร้างความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองนี่คือการทำฐานตามแนวของพระพุทธศาสนา ทำเพื่อหยุดความอยากต่างๆดังนั้นเราต้องคอยดูเวลาที่เรามีเงินแล้วเราอยากจะใช้กับความอยากถ้าเราไม่มีเงินทองก็สบายถึงแม้จะมีความอยากมันก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าไม่มีเงินตอบสนองความอยากตอไปความอยากมันก็หายไปเองอยากแล้วไม่ได้ไป เที่ยวมันก็ไม่รู้อยากไปทำไมต่อไปมันก็ไม่อยากถ้าไม่มีเงินถ้าไม่มีเงินทำทานถ้าไม่มีเงินไปเที่ยวก็ไม่ต้องอาก็ไม่มีเงินทำทานก็ไม่ต้องทำทานก็ได้ญาติโยมบางคนไม่เข้าใจอย่างพวกนักบวชนี่เขาไม่มีเงินแล้วเขาไม่ต้องไปทำทานก็ได้พวกที่ไปบวชนี่เขาสละเงินทองไปหมดแล้วมีไว้ใช้กับของจาเป็นเท่านั้น มีไว้ใช้กับถ้าเป็นแม่ชีหรือเป็นอุบาสิกายัางไม่ได้บวชนี่ก็ต้องมีเงินไว้สำหรับจ่ายค่าปัจจัยสี่ท่านเองแต่ไม่ไม่ต้องมีเงินไปทําบุญทําทานเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของนักบวชนักบวชนี้มีหน้าที่รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็มาภาวนามาหยุดความอยากด้วยการภาวนา นักษาศีลก็หยุดความอยากใช้ศีลหยุดความอยากต่างๆสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราทํานี้เป็นการหยุดความอยากทั้งนั้นมาถือศีลแปดนี้ก็ให้หยุดความอยากให้เราหยุดความอยากหาความสุขทางร่างกายกันศีลข้อสามถ้าเป็นศีลห้าอย่างอนุ ญ, ญาตให้เราร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาได้ แต่ไม่ให้ประหลับนอนกับคนอื่นศินห้าห้ามเพียงเท่านี้ห้ามหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่สามีภรรยาแต่ถ้าเป็นสามีภรรยาร่วมหลับนอนกันได้ถ้าถือศินห้าแต่ถ้ามาถือศินแปดนี้แม้แต่จะเป็นสามีภรรยาก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกันไม่ให้เอาเวลาอันมีค่านี้ไปเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายคือการร่วมหลับนอนกัน เป็นการทำตามความอยากที่เรียกว่ากามาตัญหาเป็นการส่งเสริมความอยากให้มันปรากฏขึ้นมานั่นเองแล้วมันจะทำให้เราทุกข์ใจเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับสามีหรือไม่ได้อยู่กับภรรยาเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกเหงารู้สึกว้าเหว้ขึ้นมาเพราะความอยากมีแฟนอยากอยู่กับแฟนนั่นเอง พอไม่มีแฟนมันก็เลยทำให้เราเหงาขึ้นมาเราต้องการจะเลิกความทุกข์แบบนี้ด้วยการมาฝึกอยู่คนเดียวนอนคนเดียวศีลแปดนี้ห้ามไม่ให้เราร่วมหลับนอนกับใครให้เรามาหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากแฟนนั่นเองถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับแฟนมันก็จะหายไป แล้วเราจะไม่รู้สึกเหงาเวลาที่เรานอนคนเดียวอยู่คนเดียวจะไม่ทุกข์เนี่ยนี่คือเรื่องของศีลแปดมีไว้เพื่อหยุดความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไกยนั่นเองศีลข้อหกก็ไม่ให้เราหาความสุขจากการรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเาเรียกว่ารับประทาน ตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายรับประทานมือสองมือก็พอถ้ารับประทานเพื่อความต้องการของร่างกายแต่ไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้ารับประทานถ้าปล่อยรับประทานตามความอยากมันจะรับประทานไปเรื่อยๆเช้ากลางวันเย็นข้าก่ อ, Bernard, อ, อนนอนเหมือนจะรับประทานอยู่เรื่อยๆ ไม่อาหารก็ขนมนมเนยต้องมีอะไรรับประทานอันนี้เรียกว่ารับประทานตามความอยากแล้วเวลาที่ไม่มีของจะรับประทานมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาหันรับประทานตามความจาเป็นแล้วจะไม่มีความทุกข์กับการอยากจะรับประทานของตามความอยากต่างๆอันนี้ก็สินข้อที่หกให้เรามาหยุดความอยากรับประทานอาหาร ตามความอยากให้รับประทานตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายแล้วข้อที่เจ็ดก็ให้เราหยุดความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองไม่ให้ดูหนังให้ดูละครไม่ให้ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไม่ให้แต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามต่างๆ อันนี้เป็นการหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้วกายเรียกว่าการมาตัญหาความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี่เราต้องคอยกำจัดมันการทำทานก็กำจัดไปในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมากำจัดด้วยการรักษาศีลอีกระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่หมดมันยังไม่ตายมันเพียงแต่ทำให้มันอ่อนกำลังลงเท่านั้นเอง ถ้าอยากจะให้มันตายก็ต้องมาภาวนากันการถือศีลแปดนี้มันก็จะทำให้เรามีเวลามาภาวนาได้เพราะเวลาถือศีลแปดนี้เราจะงดกิจกรรมทางตาหูจมูกกลินกายไปนั่นเองไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ดื่มไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเราก็จะมีเวลาที่จะมาภาวนาได้ การภาวนาก็มีแบ่งไว้สองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถะทำใจให้สงบขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาทำใจให้ฉลาดสอนใจให้ฉลาดใจฉลาดก็จะรู้จักวิธีกําจัดความอยากให้หมดอย่างาราบคับใจสงบก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราวขั้นต้นก็มาฝึกหยุดความอยากแบบชั่วคราวก่อน เพราะเป็นวิธีง่ายกว่าและเป็นวิธีที่จะสนับสนุนในการที่จะใช้ปัญญามาดับความอยากต่อไปจะข้ามขั้นที่หนึ่งไปไม่ได้การภาวนาต้องภาวนาขั้นที่หนึ่งก่อนคือทำใจให้สงบก่อนหยุดความอยากแบบชั่วคราวก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถเข้ามาใช้ปัญญาเพื่อหยุดความอยาก ที่ได้รับการหยุดจากสมาธินี้ให้หยุดอย่างถาวรต่อไปได้ก็มีสองขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งต้องหยุดความอยากหยุดความคิดถ้าหยุดความคิดแล้วความอยากก็ต้องก็จะหยุดตามไปเพราะความอยากนี่ต้องมีความคิดเป็นผู้นำทางถ้าเราไม่คิดถึงขนมเราก็จะไม่อยากกินขนมถ้าเราไม่คิดถึงอาหารเราก็จะไม่อยากกินอาหาร แต่พอเราไปคิดถึงอาหารปั๊บความอยากกินก <or> ็ขึ้นมาทันทีคิดถึงขนมก็อยากกินขึ้นมาคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูคิดถึงละครก็อยากจะดูคิดถึงเพลงก็อยากจะฟังคิดถึงเพื่อนก็อยากจะไปหาทันทีถ้าเราไม่ไปคิดถึงสิ่งต่างๆความอยากกับสิ่งต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ พอไม่มีความอยากใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุข น, นี่คือขั้นแรกฝึกใจให้หยุดความคิดหยุดความอยากด้วยการใช้สติเช่นคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพราะถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ พอไม่คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ก็ไม่เกิดขึ้นมาพอไม่มีความอยากในใจใจก็จะรู้สึกเย็นสบายมีความสุขใจก็เกิดความอิ่มเกิดความสุข ข, ขึ้นมาชั่วคราวในขณะที่หยุดความคิดหยุดความอยากได้แต่พอเริ่มคิดใหม่ ความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะทําให้เราไม่คิดไปในทางความคิดแล้วไม่เกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนถ้าเราคิดถึงอาหารเราก็ต้องคิดถึงอาหารตอนที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องเวลาที่มันถ่ายออกมาอถ้าเราคิดถึงอาหารแบบนี้มันจะไม่อยากกินอาหาระแต่ถ้าเราไปคิดถึงอาหารตอนที่มันอยู่ในจานนี่เห็นแล้วน้ําลายไหลมไหม ลองคิดดูเล ต, ตอนนี้กว๋วยเตี๋ยวเอ่ยข้าวผัดเอ่ยพิซซ่าเอ่ยขนมเอ่ยทุเรียนเอ่ยพอนะ mm hmm. คิดถึงเวลามันอยู่ในจานนี่แหมมันอยากกินขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไปคิดถึงตอนที่มันเคี้ยวอยู่ในปากนี่มันไม่อยากกินนะ ล, ลองคายออกมาดูหน้าตามันหน่อยสิเวลาที่มันเคี้ยวมันแสนอรเ็ดอร่อย เวลามันออกมาจากปากนี่หน้าตามันเป็นยังไงวะอยากจะดูแล้วเกินลองดูตอนที่เคี้ยวอาหารแล้วคายออกมาดูหรือตอนที่อยู่ในท้องแล้วอาจเจียนออกมาหรือตอนที่อยู่ในลำไส้แล้วถ่ายออกมาดูอให้คิดถึงอาหารแบบนี้เรียกว่าปัญญาคิดในมุมกลับคิดไปในมุมที่จะทำให้เราไม่อยากหรือหายอยาก พอคิดถ the ึงอาหารที s <S ่อยู่ในท้องอยู่ในจานอยู่ในปะอยู่ในจานไออยู่ในปากอยู่ในท้องอยู่ในโถนี่มันหายอยากทันทีแต่ถ้าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานนี่โอ้เห็นแล้วน้ำลายไหลนี่คือวิธีคิดด้วยปัญญาสอนใจให้คิดในมุมกลับอย่าไปคิดในมุมที่ทำให้เกิดความอยากให้คิดในมุมที่จะทำให้เกิดความไม่อยากขึ้นมานี่คือวิธีของ ปัญญาถ้าเราฝึกคิดแบบนี้แล้วต่อไปต่อให้อดอาหารสามวันเจ็ดวันก็ไม่อยากกินอาหารคุมความหิวได้คุมความอยากได้พอคิดถึงอาหารก็คิดถึงตอนที่มันอยู่ในโถเลยตอนที่มันถ่ายออกมาเลยพอเห็นภาพมันก็ไม่อยากกินล่ะนี่แหละคืออํานาจของปัญญาปัญญาจะมาคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความอยาก ให้มันคิดไปในทางความไม่อยากพอคิดอยากจะได้แฟนก็ให้คิดถึงเวลาแฟนตายจากเราไปหรือแฟนหนีไปมีแฟนใหม่พอคิดอย่างนี้ไม่มีแฟนดีกว่าเกิดมีแฟนได้แล้วเดี๋ยวเกิดทิ้งเราขึ้นมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหรือแฟนเกิดอุบัติเหตุหรือแฟนเกิดไปติดโรคเอดส์มาจะทายังไงอยากจะได้แฟนที่มีโรคเอดส์นะ พอรู้ว่าแฟนมีโลกเอ็นี่ไม่เอาแล้วใช่ไหมแยกกันอยู่ดีกว่านี่นคิดแบบนี้บ้างคิดมุมกลับอย่าไปคิดว่าโอ้ยมีแฟนแล้วจะสุขอย่างนั้นจะดีอย่างนี้เขาจะรักเราเขาจะดูแลเราเขาจะรับใช้เราไม่คิดบ้างว่าเขาจะทิ้งเราบ้างไม่คิดว่าเขาจะแอบไปมีหนูที่ไหนบ้างเออคิดแบบนั้นนังสิถ้าคิดแบบนั้นแล้วมันจะได้ไม่อยากจะมีอะไรน นี่คือวิธีของปัญญาต้องคิดมุมกลับกับมุมของกิเลสตัณหาตัณหามันจะคิดว่าโอ้ยดีได้มาแล้วจะมีความสุขแตะทางปัญญาบอกโอ้ยไม่แน่นะได้มาแล้วอาจจะไม่ไม่สุขอย่างที่คิดก็ได้นะอาจจะสุขแบบสุขสุขดิบดิบก็ได้นะสามวันดีสี่วันไขนะ้วันไหนเขาดีเขาก็เอาอกเก่าใจเราวันไหนเขาไม่ดีขึ้นมาเขาก็เอาเราเป็นกระสอบทรายก็ได้นะ ให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปความอยากมีแฟนจะหายไปเอันนี้คืออุบายของปัญญาต้องตามหลังจากที่เราได้สมาธิแล้วพอออกจากสมาธิมาพอจะคิดไปในทางความอยากก็ใช้ปัญญาให้คิดไปในทางความไม่อยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหายไปหมดเพราะเราจะคิดแต่ความไม่อยาก <biases>. <S 2> <S 2> คิดแต่เรื่องนั้นก็ไม่ดีคิดแต่เรื่องนี้ก็ไม่ดีได้ไอันนั่นมาก็ไม่ดีได้ไอ้นี่มาก็ไม่ดีได้อะไรมาก็ต้องดูแลมันแล้วสิใช่ไหมพอมันเป็นสมบัติของเราก็ต้องห่วงมันแล้วเลยต้องห่วงมันแล้วต้องกังวลกับมันนะไม่มีนะไม่มีอะไรนะดีที่สุดไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องมาปวดหัวมีอะไรแล้วเดี๋ยวต้องปวดหัวกับมัน ให้คิดแบบนี้แล้วต่อไปจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากมีอะไรจะไม่อยากเป็นอะไรอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวก็พอนี่แหละคือวิธีกาจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจต้องกาจัดด้วยเครื่องมือสามชนิดด้วยกันคือทานถ้าเรายังใช้เงินทองกฤตกราตามความอยากอยู่ศีลถ้าเรายังหาความสุขทางร่างกายอยู่สาถ้าเรายังคิด อยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่ก็ต้องภาวนาแล้วก็คิดไปทางปัญญาแล้วรับรองได้ว่าต่อไปความอยากที่มาสร้างความทุกข์ใจต่างๆให้กับเหล่านี้จะหมดสิ้นไปแล้วมันจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดซ้าสร้างอีกต่อไปด้วยการที่เรามาเกิดอยู่เรื่อยๆก็เพราะความอยากนี่เองพอร่างกายนี้ตายไปก็อยากจะได้ร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาหาความสุขตามที่เราเคยหาต่อไปเราก็ต้องกลับมาเกิดพอเกิดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกถ้าเราหยุดความอยากทั้งหมดได้ดับความทุกข์ใจได้หมดเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่คือหน้าที่ของพระพุทธศาสนามีหน้าที่ดับความทุกข์ใจ ไม่ได้มีหน้าที่อย่างอื่นเหมือนกันรถดับเพลิงนี้มีไว้ดับไฟไม่ใช่เอาไปพาคนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่รถดับเพลิงนี้มีไว้สําหรับเตรียมดับไฟไม่ใช่ขอยืมรถดับเพลิงไปงานกรถินไปงานผ้าป่าไปเมืองนู้นไปเมืองนี้เดี๋ยวเกิดไฟไหม้บ้านไม่มีรถดับเพลิงไปดับรถดับเพลิงมีหน้าที่ดับไฟชั้นใดพระพุทธศาสนาก็มีหน้าที่ดับความทุกข์ใจฉันนั้น เพียงแต่ว่าเราต้องมาศึกษาวิธีใช้พระพุทธศาสนาในการดับความทุกข์ใจให้ได้เท่านั้นเองพอเรารู้จักใช้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือเรื่องของศาสนาพุทธมีเท่านี้แหละการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 เอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปเมวาสัมิจโตสัพเพปเรนตตสังกปาันโทปนาฬาโสยทามณิโชติราโสยทาสัพพิตโยวิวัชานตต สัพพโรโควินสัตวมัตต์ปาวะนวันตารโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาธนาสีฤทธะนิจังวุทธาปจายโนกัตตารโอธรรมวะทานติอายุวันโอสุขังภาลั วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยหนึ่ง2สามร้อยสองวิทยุออนไลน์สามสิบรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเจ็ดคนรวมทั้งหมดหกร้อยเก้าสิบครับอตอนนี้ Facebook เริ่มกลับมาเหมือนเดิมนะหน้าเก่าฟื้นชีพนะแฟนรอไปนานแฟนเพจรอไปนาน หายไปเดือนหนึ่งเดี๋ยวนี้หน้าพระสุชาติพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตกลับมาแล้วเข้าได้ทั้งสองหน้าพอเจอส า, อ า, าสุชาติอภิชาโตก็ได้พระสุชาติอภิชาโตก็ได้หรือหน้าหลักก็คือพระสุชาติอภิชาโตภาษาอังกฤษก็ได้เดี๋ยวนี้มีสี่หน้าเหมือนกันหมดนะเข้าหน้าไหนก็ได้ใครมีคำถามก็ถามได้ในช่วงนี้ ช่วง น, นี้เป็นช่วงถามปัญหาพูดผ่านทางไมโครโฟนจะได้ยินทั่วกันพูดใกล้ๆปากเลยพูดดังๆครับกล่าววัตการพระอาจารย์นะครับคือมีคำถามว่าเวลาปฏิบัติสมาธนะิเวลาปฏิบัติสมาธินะฮ ะ, อะตอนเรานั่งสมาธิแล้วพอจิตสงบ ผมมักถอนตัวถอนจิตออกมานิดนึงแล้วก็พิจารณาร่างกายพิจารณาความอยากที่เราเห็นในชีวิตประจําวันทุกๆวัน<ม>หรือความอยากของคนรอบกายเราไม่ทราบว่าวิธีนี้ใช้พิจารณาปัญญาถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกยังไม่ถึงเวลาเวลาเข้าสมาธินี่เราต้องการฝึกจิตให้นิ่งนานๆ เวลาจิตสงบแล้วไม่ควรที่จะดึงออกมาพิจารณาควรจะให้อยู่ในความสงบให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะความสงบนี้จะมีอุเบกขาจะทำให้ใจเราเป็นกลางแล้วเราถึงจะสามารถใช้ใจที่เป็นกลางนี้มาพิจารณาปัญญาได้อย่างถูกต้องเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอคติมาครอบงำจิตใจ เห็นทุกเป็นทุกเห็นสุขเป็นสุขถ้ามีอคติยังมีชอบอะไรอยู่ถึงแม้มันจะเป็นทุกข์ก็ยังเห็นว่ามันสุขอยู่งั้นตอนที่นั่งสมาธิฝึกสมาธิไม่ใช่เวลาจเจริญปัญญาจ ะ, จะเจริญปัญญาก็ตอนที่ออกจากสมาธิแล้วนี้จะนั่งต่อไปหรือว่าจะลุกขึ้นมาเดินพิจนารณาก็ได้การจเจริญปัญญานี้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในท่านั่งอย่างเดียว นอกจากเรื่องของการพิจารณาทุกขเวทนาทางร่างกายอันนั้นก็ต้องนั่งเวลาที่มันเจ็บแล้วก็พิจารณาความทุกข์ของร่างกายไปสาธุครับทางบ้านมีคำถามไหมคำถามจากคุณจัญญาหากเราพลาดพลั้งทำให้สัต ตายโดยไม่ได้เจตนาจะได้รับผลจากกฎแห่งกรรมหนักเบาอย่างไรเจ้าคะ่ะถ้าไม่มีเจตนามันก็เป็นอุบัติเหตุมันก็ไม่มีเวรกรรมกับผู้ที่ถูกทาทาร้ายเหมือนกับเราขับรถไปชนกันนี่ไม่มีเจตนาคนขับก็ไม่คิดปองร้ายกันไม่มีการจองเวรจองกรรมกัน แล้วก็ไม่บาปก็คือไม่มีผลต่อการส่งจิตให้ไปเกิดในอบายคำถามต่อไปจากคุณไม่ถ้าเราอยู่ในป่าแล้วนั่งสมาธิจิตจะสามารถสงบเย็นได้ไหมครับอยู่ในปา่าครับผม อ, อยู่ที่ไหนที่มันมีสิ่งแวดล้อมที่สงบมันจะทำให้สงบง่าย ถ้าไปนั่งที่สี่แยกไฟแดงนี่มันจะสงบยากเดี๋ยวรถวิ่งไปวิ่งมาบีบแก่ปุ้นป้นปุ้นป้ น, ปนแต่ถ้าไปนั่งในป่ามันมีแต่เสียงลมพัดเสียงใบไม้เสียงนกเสียงอะไรมันไม่มารบกวนจิตใจเหมือนกับตอนที่นั่งอยู่ในบ้านในเมืองลองไปนั่งอยู่แถวตามผับดูเลยเข้าไปในผับแล้วเนี่ยเขาดิสโก้กันเ้าก็ไปนั่งพุทโธพุทโธดู เพรนั้นสถานที่ที่สงบมันจะเอื้อต่อการนั่งสมาธิแต่เรียกว่ากายวิเวกแล้วจิตจะวิเวกนะกายวิเวกก็คือสถานที่ที่กายไปตั้งอยู่มันสงบวิเวกมันก็จะทําให้จิตสงบวิเวกโดยโดยง่ายคือไม่อัตโนมัติแต่มันง่ายแต่ถ้าไม่มีสติควบคุมใจถึงแม้ไปนั่งในป่าเงียบสนิทขนาดไหน ถ้าไม่มีสติพุโทโธมันก็ยังชิดอยู่มันก็จะไม่สงบอยู่คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเรามีบุตรภรรยามีคู่ครองแต่เราหมั่นรักษาศีลภาวนาจะสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมครับแล้วโสดาบันนี้ยังมีความอยากมีคู่มีแฟนไหมครับ โสดาบันจะบรรลุได้มันไม่ใช่แค่รักษาศีลอย่างเดียวมันต้องฝึกสมาธิให้เจตมีพลังมีอุเบกขาแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของาร่างกายหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตาย ไม่ทุกไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายแต่ก็ยังมีความอยากอย่างอื่นอยู่เหมือนเดิมยังอยากมีแฟนอยากมีลูกอยากอาจจะอยากไม่อยากมีลูกแล้วเพราะเห็นว่าการมีร่างกายมันเป็นทุกข์แต่การอยากมีแฟนยังอยากอยู่ยังอยากหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสอยู่ คำถามต่อไปจากคุณพิชิตผมรักษาศีลห้าทุกวันแต่ทำงานขับรถตลอดเวลาแล้วได้ไปชนกับสุนัขแบบไม่ได้ตั้งใจผมจะศีลขาดและจะต้องรับกรรมไหมครับไม่ขาดหรอกไม่มีเวรแต่กรรมอาจจะมีอาจจะไปเกิดเป็นสุนัขวันใดวันหนึ่งแล้วอาจจะถูกรถชนตายก็ได้ แต่ไม่มีเวรสุนัขตัวนั้นเขาจะไม่มาจองเวรจองกรรมเราคำถามจากคุณทวัชชัยที่ว่าธาตุสีดินน้ำลมไฟ เคยได้ยินครับแต่อีกสองธาตุคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุคืออะไรครับอากาศธาตุก็คือความว่างเนยความจริงมันไม่ใช่อากาศมันเป็นอวกาศมากกว่าอาจจะเขียนตัววอลแวนกลายเป็นตัวสระอาไปถ้าอาวกาศนะถ้าแปลความหมายตรงกับภาษาอังกฤษที่แปลว่า Space Space ก็คือความว่างอาวกาศทัศ นี่คืออวกาศเป็นที่ตั้งของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไงถ้าไม่มีอวกาศจะไปตั้งไว้ตรงไหนล่ะมันต้องมีที่ตั้งมันต้องมีอตอนนี้กุฏิเราศาลาเรานั่งกายเรามีที่ตั้งมันมีอวกาศมีที่ว่างให้เราตั้งถ้าตรงนี้เต็มคนนั่งเต็มไปหมดมันก็ไม่มีอวกาศมันไม่มีที่ว่างมันก็มานั่งไม่ได้ ร่างกายเราเป็นธาตุสี่ใช่ไหมธาตุห้านอกจากธาตุสีน่นีน้ำลมไฟแล้วก็มีใจมาเกาะติดด้วยวิญญาณก็คือใจนี่งจิตใจผู้รู้ผู้คิดเรียกว่าวิญญาณธนะาตุหรือธาตุรู้อันนี้เป็นวิญญาณเวลาที่ไม่มีร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณอยู่ตามลาพังแต่บางทีมาได้ร่างกายก็จะมา เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายกลายเป็นจิตใจไปเรียกว่าจิตใจไปคำถามต่อไปจากคุณนัททิชาเวลาที่นอนหลับฝันเห็นคนที่ตายไปแล้ว เขามาสื่อสารอะไรให้เรารู้หรือเปล่าครับเช่นมาเพื่อขอส่วนบุญซึ่งน้องชายเขาเสียไปเมื่อเดือนที่แล้วขอความเมตตาด้วยครับถ้าเขามาเราต้องคุยกับเขาได้ถามสารทุกข์สุขดิบได้เช่นเป็นไงสบายดีหรือเปล่าอยู่ลำบากไม่ขัดหลืออะไรหรือไม่แต่ถ้าเราฝันบางทีเราคิดถึงเขาแล้วเราก็ปรุงแต่งไปได้มโนไปได้ คนเราสมัยนี้ชอบคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานอนหลับมันก็คิดต่อพอเวลานอนหลับคิดแล้วก็เรียกฝันไปนี่งั้นบางทีมันเป็นของที่เขาเข้ามาหาเราหรือบางทีเป็นของที่เราคิดไปหาเขาก็ได้เนีนเราต้องรู้รจัดแยกแยะว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่ถ้าเรายังแยกแยะไม่เป็นเพื่อความสบายใจก็ เดินเช้าขึ้นมาก็ไปทำบุญอุทิศให้เขาไปก็แล้วกันทุกครั้งที่เรานอนหลับแล้วฝันถึงคนตายก็คิดเผื่อไว้ว่าเขาอาจจะมาหาเรามาขอความช่วยเหลือมาขอบุญเราทำบุญส่งไปให้เขาได้ก็ไปทำบุญส่งไปให้เขาก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณอุไรถ้าไม่อยากเกิดอีกต้องทำอย่างไรบ้างคะ ก็เนี่ยต้องกำจัดความอยากทั้งสามกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาด้วยการทำทานรักษาศีลภาวนาคำถามต่อไปจากคุณกิตเมื่อนั่งสมาธิพอสมควรแล้วอยากที่จะออกจากการนั่งสมาธิต้องปฏิบัติตัวเช่นไรจึงจะเป็นวิธีการที่ถูกต้องครับก็ให้มีสติ มีสติตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรือนอกสมาธิเวลาจะาออกจากสมาธิก็ให้มีสติรู้ว่าตอนนี้เราเริ่มคิดเริ่มปรุงแต่งเร่มเราก็จะออกจากสมาธิมาถ้าเราอยากจะเข้าสมาธิเราก็หยุดความคิดหยุดความปรุงแต่งเหมือนขับรถเนี่ยเรารู้เวลาที่เราต้องการหยุดรถเราก็เราก็เหยียบเบรกเข้าเกียร์ว่าง แล้วก็ปิดสวิตดับเครื่องเวลาเราต้องการขับรถให้มันวิ่งเราก็สตาร์ทเครื่องมันก็แบบเดียวกันใช้สติเหมือนกันรถยนต์ก็ใช้กุญแจจะใช้รถยนต์ก็ต้องใช้กุญแจสตาร์ทรถเวลาจะหยุดรถจะจอดรถก็ต้องใช้กุญแจปิดเครื่องยนต์ดับเครื่องยนต์ก็เหมือนกันใช้สติเวลาเข้าสมาธิก็ใช้สติหยุดความคิด เวลาออกจากสมาธิก็ใช้ความใช้สติดูว่าตอนนี้กำลังเริ่มคิดแล้วนะถ้าต้องการจะออกจากสมาธิก็ปล่อยให้มันคิดพอมันคิดมันก็เดี๋ยวมันก็จะออกจากสมาธิไปคำถามต่อไปจากคุณสุวพัฒการแยกรูปนามคืออย่างไรครับขณะปฏิบัติ เห็นความคิดอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่อีกส่วนหนึ่งอันนี้ใช่การแยกรูปนามหรือไม่ครับทําไมจึงได้กล่าวว่าจะวิปัสสนาได้นั้นต้องแยกรูปนามให้ได้เสียก่อนคําว่าแยกรูปนามก็คือให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเองเช่นเราแยกไข่ออกจากไก่ไหมอันนี้ไก่นี่ไข่อันนี้ก็เหมือนกัน การแยกรูปนามก็เพื่อให้เราแยกสิ่งที่มาประกอบเป็นชีวิตของเราชีวิตของเรานี่มีสองส่วนส่วนที่เป็นรูปกับส่วนที่เป็นนามส่วนที่เป็นรูปก็คือร่างกายอาการสามสิบสองผมขนเลฟันหนังนี่เราเรียกว่ารูปรูปประขันส่วนนามก็มีอยู่สีลเรียกว่านามปรขันคือความรู้สึกนึกคิด ความคิดปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสก็เรียกว่าวิญญาณความจำได้หมายรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาให้รับรู้ว่าเป็นรูปอะไรก็เรียกว่าสัญญาแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่เป็นความรู้สึกสุขไม่สุขไม่ถูกขไม่ทุก ข, ข์นี่ก็เรียกว่าเวทนาอันนี้เป็นนามขันเป็นนามเป็นส่วนประกอบในการ ดำเนินชีวิตของพวกเราพวกเรามีนามกับรูปนี้ดำเนินอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นนามกับรูปเราไม่รู้ว่าร่างกายเรานี้เรียกว่ารูปเราไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้เรียกว่านามเวทนาเช่นเวลาเห็นรูปที่เราชอบก็เกิดความสุขขึ้นมาการเห็นรูปก็เรียกว่าวิญญาณการรู้ว่ารูปนี้ชอบก็เรียกว่าสัญญา สัญญาคือจำได้ไงเคยเคยชอบรูปนี้มาก่อนพอเจอเห็นรูปนี้ก็จะชอบขึ้นมาทันทีพอไม่ชอบรูปนี้เคยไม่ชอบรูปนี้มาก่อนพอเห็นรูปนี้ก็จะเกิดความไม่ชอบขึ้นมาถ้าไม่เคยเห็นรูปนี้มาก่อนก็ความชอบไม่ชอบก็จะไม่มีเพราะไม่รู้ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็จะมีความรู้สึกเฉยๆกับรูปที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนหรือหรือไม่มีความรู้สึกกับเขามาก่อน น, นี่คือการทางานของนามกับรูปในชีวิตของเราตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลาหลับเนี่ยเราใช้นามกับรูปนี้ทำงานพาเราไปทำอะไรต่างๆพาเราไปหาความสุขต่างๆก็ใช้นามกับรูปนี้เป็นเครื่องมือจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ทำไมผมถึงถึงไม่ค่อยกล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะยิ้มครับทั้งทั้งที่อยากจะพูดอยากจะยิ้มก็ไม่ทำนะไม่มีอะไรใช่ไหมก็ไม่กล้าเพราะไม่ทำมันก็เลยไม่กล้าถ้าทำไปเรื่อยๆมันก็กล้าขึ้นมาเองก็ทำไปสิที่ไม่กล้าเพราะกลัวมั้งกลัวว่าเดี๋ยวทำไปแล้วพูดไปแล้วจะถูกด่าหรือจะถูกเขา เขาตอบกลับมาไม่ดีก็เลยไม่กล้าแต่เราก็อย่าไปกลัวสิใครเขาจะว่าไงก็เรื่องของเขาเราอยากจะยิ้มเราก็ยิ้มไปเราอยากจะพูดก็พูดไปแต่ความจริงไม่พูดได้ไม่ยิ้มได้ก็ดีอย่างนะไม่มีปัญหาเขาก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเราทำไมต้องอยากอยากพูดอยากอะไรด้วยเน่ความจริงไม่ควรอยากพูดนะควรจะพูดเท่าที่จำเป็นดีกว่า เพราะว่าพูดมากเดี๋ยวอาจจะพูดเละเทะพูดแล้วเกิดความเสียหายได้ควรจะพูดให้น้อยๆแล้วคุ้นด้วยด้วยความระมัดระวังคิดให้ดีก่อนพูดดีกว่าว่าการพูดของเรานี้จะเกิดความเสียหายหรือไม่ถ้าเกิดความเสียหายก็อย่าพูดคําถามต่อไปจากคุณกมลรักจิต ที่ไหลเข้าสู่พวางแตกต่าง ก, กันกับจิตที่เป็นวิมุตต์แล้วอย่างไรครับอ๋อคือจิตเข้าผวางก็คือจิตเข้าสู่ความสงบเนส่วนวิมุตตนี้เป็นจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจจิตที่วิมุตต์นี้ก็ยังเข้าผวังได้เข้าสมาธิได้จิตที่ไม่วิมุตต์ก็เข้าผวังเข้าความสงบได้ แต่จิตที่วิมุตต์นี่เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความอยากไม่มีความทุกข์จิตที่ยังไม่วิมุตตนี่ยังมีความทุกข์อยู่ยังมีความอยากอยู่มีแค่นี้เหรอถามอีกไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอาทิละคนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะพูดเดี๋ยวจะส่งไม้ไปให้ พูดแบบสดสดแบบไม่มีไม้ไม่ได้คนอื่นไม่ได้ยินอ่ะพูดใกล้ใกล้ปากอ่ะออกแนววาลคําถามอาเลยมาออกไม้ไปให้เขาก่อนเอามามารับไม้ไปหน่อยพูดใช้ไม้คนจะได้ยินเสียงนี่มันไปทั่วโลกกันรูปเปล่าเนี้ยพูดใกล้ใกล้ปากใกล้กล้ปากจิตที่มุดแล้วนี้กลับมา เป็นกิเลสอีกได้ไหมจ๊ะไม่ได้แล้วจิตที่ไม่มีกิเลสนีถ้าวิมุตต์แล้ววิมุตต์ด้วยปัญญาก็จะจะไม่มีแต่วิมุตต์ด้วยสมาธินี่ยังยังมีได้ถ้าจิตสงบมันก็ไม่มีกิเลสชั่วคราวพอจากความสงบมันก็กลับมาได้แต่ถ้า ถ้าใช้ปัญญาทําลายมันแล้วมันจะไม่กลับมามีสองแบบวิมุตต์แบบสมาธิกับวิมุตต์แบบปัญญาเขาเรียกกันที่มีเถียงกันอยู่เรื่อยอะไรเขาเรียกอะไรวิปั ส, สนาวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์กับ <c oughs> กับเจโตวิมุตต์อ่านี่ก็คือเจโตวิมุตต์ก็คือ ว, วิมุตต์ชั่วข่าวเจโตก็คือสมาธิเวลาเข้าสมาธิกิเลตันหาก็หายไปทุกข์หายไปชั่วข่าว แต่พอออกจากสมาธิมาตัณหาก็กลับมาใหม่แต่ถ้าปัญญาวิมุต tn ี้ไม่กลับคือเหมือนกับหินทับหญ้ากับถอนหญ้าไม่เหมือนกันถ้าหินไปทับหญ้าเดี๋ยวยกหญ้าขึ้นมายกหินขึ้นมาเดี๋ยวหญ้าก็งอกขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าใช้ใช้ถอนหญ้าถอนรากขึ้นมามันก็ไม่มันก็ไม่มีวันที่จะโตขึ้นมาได้ปัญญาจะถอนรากของตัณหาความอยากส่วนสมาธิจะไปทับมันไว้อืม ก็เลยมีสองวิมุตต์เจตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์เนี่ยนี้ได้คําตอบอีกแบบหนึ่งเจตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์เนี่ยเจตวิมุตต์ก็วิมุตต์ชั่วข่าวปัญญาวิมุตต์ก็วิวิมุตต์ถาวรจาคําถามได้อ่าที่มีคํากล่าวว่า ให้ระลึกสติตั้งตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนหลับครับในระหว่างที่เราเริ่มตื่นนอนเราคำว่าระลึกสติหมายความว่าเราต้องระลึกคาว่าพุโทโธตลอดทุกกิริยาที่เราทำเลยเพราะแต่ ว, ว่าเราใช้อะไรเป็นเครื่องหยุดความคิดไงการใช้สติเพื่อให้เราหยุดความคิดที่ไม่จําเป็นต้องคิดถ้าเราใช้พุโทโธก็พุโทโธไปเลย พอเริ่มตาขึ้นมาก่อนที่มันจะไปคิดว่าจะไปทําอำจะไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินอะไรดีก็พุโทโธไปเลยแต่ถ้ามันต้องคิดว่าวันนี้วันอะไรต้องไปทํางานหรือเปล่าก็ปล่อยมันคิดได้ในเรื่องจําเป็นต้องคิดก็ไม่ต้องไปหยุดมันแต่พอมันไม่จําเป็นจะต้องคิดเริ่มคิดถึงเมื่อวานนี้คิดถึงอนาคตนี้ก็หยุดมันด้วยพุโทโธไปถ้าเราใช้พุโทโธ ถ้าเราใช้วิธีอื่นก็ใช้วิธีอื่นบางคนก็ใช้การเฝ้าดูร่างกายตอนนี้ร่างกายอยู่ในเอริยาบทไหนกำลังอยู่ในท่านอนกำลังจะลุกก็รู้ทุกเรียบบทของการเคลื่อนไหวก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้มีข่าใหม่ไหมมีครับค ำ, คำถามต่อไปจากคุณกิจ <c oughs> กิเลส การมะราคะตัณหาจะมีวิธีการเช่นใดที่จะจัดการให้ลดน้อยลงและหมดสิ้นไปในที่สุดครับก็เนี่ยวิธีสมาธิกับวิธีปัญญาพยายามฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆควบคุมสติควบคุมความคิดบ่อยๆย้ายไปคิดในทางกางความอยากมันก็ไม่เกิดวิธีที่อยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นได้ที่ไหน ถ้าอะไรยังไม่มีสติก็ช่างใช้สติฝึกไปก่อนฝึกคิดถ้าจะคิดการมันคิดแต่ภาพที่ไม่สวยงามคิดถึงมุมกลับถ้าคิดถึงรูปร่างหน้าตาหน้าดูหน้าชมแล้วมันก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ดูตอนที่หน้าเป็นศพ บ, บ้างตอนที่หน้าถูกไฟครอบไฟไหม้บ้างตอนที่หน้าเหิวหน้าโ ย, ยนบ้างนึกดูเข้าไปในอวัยวะของร่างกายบ้าง ถ้าคิดแบบนี้ความอยากในการมันลมมันก็จะลดน้อยลงได้แล้วก็นั่งสมาธิก็จะทําให้ความคิดหยุดไปชั่วคราวความอยากก็หายไปชั่วคราวแต่ถ้าเราคิดไปในทางทางไม่สวยไม่งามได้ตลอดเวลาต่อไปความอยากการมันลมก็จะหายไปหมดนะคำถามต่อไปจากคุณฟ้าความหมายของกรรมเกิด จากเจตนาคืออย่างไรเจ้าคะกือจะเป็นกรรมจะเป็นผลต้องมีเจตนาคือถ้าเราทำบาปด้วยไม่มีเจตนายังไม่เป็นกรรมเช่นเราขับรถไปชนสุนัขโดยที่ไม่ตั้งใจนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมแต่ถ้าเราตั้งใจเห็นมันม้มาตัวนี้หมั่นเคี้วมันแล้วเกินชอบมาขี่รถเยี่ยวรถใส่ยางรถเราเรื่อย ในวันนี้เจอมันอยู่กลางถนนขับเจอมันเต้าเลยใส่มันเลยอเนี่เป็นกรรมเพราะเป็นการฆ่าเป็นบาป <c oughs> มีผลจะจะมีเป็นเหตุที่ปาให้เราไปเกิดในอบายได้แต่ถ้าชนหมาโดยที่ไม่มีเจตนามยังไม่เป็นเหตุที่จะพาให้เราไปเกิดในอบาย <c oughs> ไม่เป็นบาปหมแล้วเหรอคำถามครับ คำถามจากคุณสายพินการภาวนาในขั้นที่เรานอนหลับก็รู้ว่าเรากําลังหลับอยู่ต้องทำอย่างไรเจ้าคะไม่ได้หรอกการภาวนาก็ไม่ภาวนาในในขั้นหลับหรอกขั้นหลับเราไม่เรียกว่าภาวนา ขนหลับก็เรียกว่าหลับภาวนาต้องตื่นงั้นอย่าไปฟังคำพูดว่าหลับแล้วรู้ว่าหลับนี่เป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีใครรู้หลักเวลาหลับเห็นไหมจะมารู้ก็ตอนที่ตื่นว่าอ้อหลับไปแล้วแต่ตอนหลับไม่มีใครรู้เพราะตัวตัวรู้มันไม่ทํางานทั้งนัสติมันไม่ทํางานทั้งนั้นงั้นอย่าไปฟังเรื่องแปลกๆ แ, แบบนี้ไม่มีในการปฏิบัติการภาวนาตอนหลับไม่มี